บทที่24หลังทำวัดเย็นคณะผู้สแสวงบุญต่างก็ย้ายกันไปพักผ่อนเพื่อออมแรงไว้สำหรับเดินทางไปชมเขาคิชกูรเมืองราชครืและเมืองนาลันธาในวันรุ่งขึ้นมีแต่สมพัน์วัดป่ามะม่วงเท่านั้นที่ตามพระมหาฉลองไปที่กุติ เพราะอยากฟังท่านเล่าถึงสาเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียเมื่อเข้าไปในกุฏิพระมหาชลองนำเอาอาสนะมาปูแล้วจึงนิมนต์ภิกษุอคันตุกะนั่งจากนั้นจึงชงชาร้อนมาถวายพวกแขกเขาติดชามากกว่ากาแฟครับเช้าก็มานั่งเดิมชากัน และผมก็อยู่เมืองแขกมานานเลยติดใจตามแขกเข้าไปด้วยแขกเขาเรียกชาว่าใจครับตอนที่ผมขึ้นรถไฟมาก็เห็นเขาหิ้วกาอลูมิเนียมเดินร้องใจใจก็คือร้องขายชานี่เองขายกันทั้งคืนเลยพอรถจอดสถานีไม่ว่าจะดึกเดินแค่ไหน ก็ได้ยินเสียงร้องใจใจฟังดูแปลกดีครับแปลกดีแบบนี้บ้านเราไม่มีนะครับหลวงพ่อผมอยู่ที่นี่จนชินพอกลับเมืองไทยเลยรู้สึกเหมือนเป็นคนต่างประเทศคือรู้สึกไม่คุ้นและก็อยากกลับมาที่นี่เหมือนดังว่าที่นี่คือบ้านเกิดเมืองนอนของผม ผมคิดว่าชาติที่แล้วท่านคงต้องเป็นคนอินเดียนะครับผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันบังเอิญผมละลึกชาติไม่ได้เลยยังอยู่ระดับสงสยัยไม่ขึ้นถึงระดับแน่ใจสักทีทำอย่างไรผมจะขึ้นไปถึงระดับแน่ใจครับหลวงพ่อท่านถามภิกษุอคันตุ ก, กะทากรรมฐาน พระวะกรรมฐานจะทำให้ท่านระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดบัญญาแก่ปัญหาชีวิตได้แสดงว่าหลวงพ่อทำได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ทำได้ถ้าท่านไม่เชื่อลองพิสูจน์ผมก็อยากพิสูจน์อยู่เหมือนกันล่ะครับแต่งานมากจนหาเวลาไม่ได้สงสัยกลับเมืองไทยคราวหน้า จะต้องไปขอเรียนกับหลวงพ่อสักหนึ่งเดือนจะได้เอามาสอนพวกเด็กๆนิมนต์ครับวัดป่ามะม่วงยินดีตอนรับแต่ตอนนี้ผมอยากฟังท่านเล่าเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินเดียเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกความจริงแล้วคนอินเดียไม่ค่อยรู้เรื่องพระพุทธศาสนา แต่ที่เรารู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็เพราะคนอังกฤษการที่อังกฤษมาปกครองอินเดียทำให้ชาวโลกได้รู้จักพระพุทธศาสนาแม้แต่เรื่องพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอินเดียก่อนอังกฤษจะมาปกครองคนอินเดียก็ยังไม่รู้จักสถานที่สำคัญและหลักฐานทั้งหลายเช่นศิลาจารึก ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในยุคเก่าๆล้วนแต่ถูกค้นพบโดยคนอังกฤษเราเป็นนี่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีของตะวันตกคือคนอังกฤษนี่มากมายที่ผมพูดมาตอนสายวันนี้ว่าหลังพุทธกาลประมาณ500ปีพระพุทธศาสนาก็จะเสื่อมไปจากอินเดีย แต่ไปตั้งหลักมั่นในลังกานั้นผมหมายถึงพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทต่อมาเกิดพระพุทธศาสนามหายานขึ้นเพื่อให้เขาเข้าใจง่ายผมก็จะแบ่งพระพุทธศาสนาในอินเดียออกเป็นยุคยุคตามที่เจ้าคุณอาจารย์ท่านแบ่งไว้ท่านมหาหมายถึงท่านเจ้าคุณพระเทพเวทีหรือว่าท่านเจ้าประคุณประยุติปยุตโตใช่หม เพราะท่านเป็นนักปราชทางพระพุทธศาสนาที่ชาวโลกรู้จักแต่น่าเสียดายที่คนไทยบางคนกลับไม่รู้จักท่านเพราะคนไทยส่วนใหญ่ชักจะเอ็นเอียงไปหาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูกันแล้วมีการเส้นเจ้าเข่าทรงกันมากมายผมว่าแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับเท่ากับทำให้ตกจากพระศาสนา เพราะรักษาหลักการไว้ไม่ได้แต่เราก็คงต้องทำใจนะครับหลวงพ่ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอะไรจะดับก็ต้องดับเพราะมันเป็นไตร ล, ลักษณ์ท่านเจ้าคุณอาจารย์แบ่งพระพุทธศาสนาในอินเดียออกเป็นกี่ยุคครับท่านพระครูถามด้วยเกรงภิกษุหนมจะหลงประเด็น แบ่งเป็น4ยุคครับยุคที่1เป็นยุคของพระพุทธศาสนาแบบเทรวาวซึ่งรุ่งเรืองอยู่ประมาณ500ปียุคที่สองเป็นยุคของมหายานตั้งแต่ประมาณหลังพุทธศักราช500ไปจนถึงพุทธศักราช 1,000 พแต่เป็นมหายานที่ยังหนักแน่นในความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ยุคที่สาม ตั้งแต่หลังพุทธศักราชหนึ่งมหายานเริ่มเสื่อมลงและประมาณปีพุทธศักราช2 0 0ก็เกิดพระพุทธศาสนามหายานแบบลัทธิตันตระซึ่งมีเรื่องเวทมนต์คาถามากยุคที่4หลังพุทธศักราช1500เป็นตันตระยุคเสื่อมโทรมและซ้ำมากที่ว่าซ้ำมากนะ่ะเป็นอย่างไรครับ คือถึงกับให้พระพุทธเจ้ามีสักติคือมีชายามีการเสพสุราและเสพกามถือเป็นการบรรลุนิพพานได้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเองก็เล้วและตุ่มเป๊ะมากฮินดูก็มีตันตระพุทธก็มีตันตระแข่งกันมาแล้วก็กลมกลืนกันระหว่างนี้เองที่พระพุทธศาสนาได้กลมกลืนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดู จนหมดเอกลักษณ์พิเศษของตนเองความเสื่อมซามทางด้านกามศยศาสตร์เด่นมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,500 จนมาถึงพุทธศักราช 2,700 ก็พอดีมุสลิมเติ๊กยกทับเข้ามากวาดล้างเซ ร, ราเปียบไปหมดเลยเมื่อมุสลิมเติ๊กยกทับมาฆ่าและเผานั้นพระที่อยู่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ต่างก็หนีไปที่ถูกฆ่าก็มรณะไปที่หนีได้ก็ลงเรือไปพมา่าบ้างหนีขึ้นเหนือไปเนปาลบ้างไปที่เบตบ้างที่ที่เบตมีหลักฐานเหลืออยู่เล่าถึงเหตุการณ์ตอนที่มหาวิทยาลัยนาลันธาถูกทำลายอันแสดงถึงความเชื่อในอิทธิปฏิหารและเวทมนว่าเป็นอย่างไรท่านหยุดเล่า เพื่อทดสอบว่าท่านพระครูยังอยากฟังต่อหรือไม่และเป็นอย่างไรครับท่านพระครูถามเพราะอยากฟังต่ออยากทราบว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อต้องฟังต่อครับผู้เล่าเริ่มติดเชื้อยยนผมกําลังฟังอยู่นิมนทั์ท่านเล่าต่อเถอะครับคือมีตัวอย่างหลักฐานค้างอยู่ที่ทิเบตเล่า ว, ว่า พระรูปหนึ่งมีเวทมนต์คาถาครั้งแล้วก็มีพัดกยสิทธ์ก็บอกว่าเดียวพอกองทัพมันมานะผมจะใช้พัดนี้โบกให้กองทัพมันแตกกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงไปเห่หมดแล้วท่านทำได้อย่างที่พูดไหมครับราคาคุยครับเพราะพระถูกฆ่าหมดรวมทั้งรูปที่มีพัดกยสิทธิด้วยผู้เล่าฉเฉลย แสดงว่าตอนนี้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทมมากครับเพราะเต็มไปด้วยความเชื่อทางสยศาสตร์เวทมนคาถากลายเป็นมนตรายานตันตระนี้ก็เป็นเรื่องของมนตรยานคือเป็นลัทธิเวทมนตถือว่าสามารถบรรลุถึงจุดหมายได้ด้วยเวทมนเชื่อจนหมกมุ่นในเรื่องอิทธิปฏิหาร พระพุทธศาสนาเสื่อมลงถึงขนาดนี้นอกจากอิทธิริตจะรักษาตัวไม่ได้แล้วยังกลมกลืนกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้สะดวกสบายเป็นอย่างดีเรื่องเหล่านี้เป็นคติสอนใจชาวพุทธว่าจะต้องไม่ ย, ยอมถูกล่อเ้าชักจูงให้เคว้ไปจากหลักการของพระพุทธศาสนาครับ เจ้าคุณอาจารย์ท่านก็ให้ข้อคิดไว้ว่าพุทธบริษัททั้งหมดเริ่มตั้งแต่ภิกษุจะต้องศึกษาให้รู้ตระหนักในบทเรียนแห่งอดีตและก็รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีความชัดเจนมั่นใจและตั้งมั่นในหลักคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเท พ, พเจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่อิทธิปฏิหารสยศาสตร์นั้น มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันคือการหวังพึ่งอำนาจดนบันดาลภายนอกซึ่งเป็นความเชื่อและการปฏิบัติที่มีผลเสียและขัดต่อหลักการของพระพุทธศาสนาหลายอย่างเช่นทำให้เป็นคนอ่อนแอไม่ทำการให้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามของตนชื่อว่าขัดหลักกรรมนี่ก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำให้ชีวิต เสื่อมถอยไม่พัฒนาเพราะไม่เรียนรู้ฝึก ฝ, กฝนปรับปรุงตนในการที่จะแก้ปัญหาและฝึกปรือตามความสามารถจากการกระทาชื่อว่าขัดหลักไตรสิกขาข้อที่สทํทำให้ปล่อยเวลาล่วงผ่านไปผิดเพี้ยนเฉยชาอยู่กับความเลื่อนลอยเนื่องจากกรอคอยผลการดนบันดาลของผู้อื่น ไม่เร่งรัดกระตือหรือร้อนขวนขวายไม่กระทําในสิ่งที่ควรทําชื่อว่าขัดหลักความไม่ประมาทข้อสุดท้ายคือทําให้ต้องเอาชีวิตและความสุขของตนไปฝากไว้กับอํานาจบรรดาลภายนอกที่ตัวเองก็ไม่มีทางรู้ว่าจะสําเร็จเมื่อไหร่อย่างไรขึ้นต่อเขาชื่อว่าขัดหลักที่พึ่งตน และความเป็นอิสระในแง่สังคมถ้าคนมัวมองหาเทวดาและอำนาจภายนอกมาช่วยมัวแต่จะรักษาความสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่เอาใจใส่กันและกันในหมู่มนุษย์เองไม่แสวงหาความร่วมมือในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและทําการต่างๆแต่ละคนก็จะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัว สังคมก็ยิ่งเสื่อมอย่างน้อยก็พัฒนาประชาธิปไตยไม่สำเร็จถ้าระวังผลจากพวกเวทมนคาถาก็คือไปทางาศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างประเทศขเขมรมีชื่อว่าเก่งเลิกเกินในเวทมนคาถาและเป็นอย่างไรในที่สุดก็รักษาประเทศไว้ไม่ได้คนไม่อยู่กับเหตุผลไม่อยู่กับความเป็นจริงก็ไปไม่ไหว ท่านพระครูพูดอย่างปรงสังเวชอย่างไรก็ตามถ้าพระพุทธศาสนาไม่บังคับความเชื่อและก็ยอมรับความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ที่มีอยู่ในระดับการพัฒนาที่ต่างๆกันถ้าคนยังไม่พร้อมแต่ยินดีที่จะเริ่มก้าวเดิน เมื่อยังอยู่จุดเริ่มต้นในช่วงต่อกับความเชื่อถือและการปฏิบัติเก่าๆยังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้จะนับถือพระรัตนตรัยแล้วก็ยังนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องมีเกณฑ์ในการที่จะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธินั้นซึ่งเจ้าคุณอาจารย์ก็ได้เสนอไว้หอย่างได้แก่หนึ่งต้องไม่ให้เสียหลักกรรมหมายความว่าถ้าเชื่อแล้ว เป็นเครื่องรวมใจให้เกิดสมาธิตั้งมั่นได้ในยามเกิดเหตุภัยร้ายแรงฉุกเฉินใจหายกระวนกระวายหายกระสับกระสายตั้งสติได้แล้วมีสมาธิทำให้ตั้งใจในการทำการด้วยความเข้มแข็งจริงจังเรียกว่าไม่เสียหลักกรรมก็พอใช้ได้ 2. ต้องไม่ให้เสียหลักสิขา คือไม่เสียหลักการฝึกฝนพัฒนาตนแม้จะนับถืออย่างที่ว่าก็ต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่ไปฝากความหวังฝากชะตาไว้กับอำนาจดนบันดาลอิทธิฤทธิปาฏิหารเหล่านั้นจนกระทั่งไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรและจะต้องทำอะไรกับตัวเองอันนี้เป็นหลักติดทิ้งไม่ได้สามต้องไม่ให้เสียหลักความใหม่ประมาท ต้องไม่มีชีวิตอยู่ด้วยการรอคอยและปล่อยปละละเลยสิ่งที่ควรทำไม่เร่งเพียรพยายามจมอยู่ในความประมาท 4. ต้องไม่เสียหลักการพึงตนและอิสรภาพต้องไม่มัวหวังพึ่งแล้วก็เอาความหวังความสุขโชคชะตาไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกแต่ต้องพยายามทำตนให้เป็นที่พึงของตนให้ได้และมีอิสรภาพมากขึ้น และหต้องให้ความศักดิ์สิทธิ์ที่พ่วงอยู่กับคุณธรรมและความบริสุทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์แบปรริดของเท พ, พเจ้าที่เต็มด้วยกิเลสที่มุ่งสนองโลภะโทสะแต่ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระคุณเจ้าอยู่ที่ความบริสุทธิ์เมตตากรุณาและปัญญาแล้วก็ใช้หลักอธิษฐานแทนการอ่อนวอน แต่ก็มีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าอธิษฐานคือการอ่อนวอนท่านพระครูพูดขึ้นนั่นสิครับผมถึงว่าคนไทยชักจะกระเดียดไปเชื่อแบบแขกเข้าไปทุกทีอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาคือการตั้งใจเด็ดเดียวที่จะทำการเพื่อบรรลุจุดหมายอย่างดีงามอย่างใดอย่างหนึ่งที่ชัดเจน การอธิษฐานจิตจะทำให้เกิดสมาธิแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างดีอธิษฐานจึงไม่ใช่การอ้อนวอนพระมหาฉลองพูดตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์เงียบกันไปครู่หนึ่งพระมหาฉลองจึงเล่าอีกว่าพระพุทธศาสนาในอินเดียได้เผชิญกับการทำลายล้างโดยการใช้กำลังรุนแรงหลายยุคหลายสมัย ผมจะเล่าเหตุการณ์ที่สำคัญเฉพาะที่ทำลายค่าฟันโดยกษัตริย์หรือราชาของอินเดียที่ไม่ได้นับถือพุทธรายแรกก็คือกษัตริย์ปุตสยามิตรซึ่งครองราชประมาณพุทธศักราช356 392ปุตสยามิตรเดิมเป็นพราหมณ์รับราชการเป็นเสนาบดีอยู่กับราชาองค์สุดท้ายของราชวงศ์โมริยะ ที่สืบต่อจากพระเจ้าอาโศกมหาราชปุทสยามิตรได้สังหารราชาแห่งโมริยะวง์และก็ตังต้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นครองราชตั้งราชวงศ์ใหม่ชื่อราชวงศ์สุงคะปุทสยามิตรได้รื้อฟื้นพิธีอัศวเมตคือการข้าม้าบูชายันทิพระพุทธศาสนาติเตียนพิธีอัศวเมตซบเซาเงียบหายไปนาน ในช่วงที่พระพุทธศาสนากําลังรุ่งโรจน์นอกจากนี้ก็ยังทําลายพระพุทธศาสนาเผววัดกําจัดพระภิกษุสงฆ์โดยถึงกับให้รางวัลแก่ผู้ฆ่าพระภิกษุสงฆ์ได้แต่เรื่องของปุษยมิตรอยู่ในยุคที่มีเอกสารน้อยจึงไม่มีรายละเอียดรายที่สองคือกษัตริย์มิหิระกุละ เป็นชนเผ่าหั่นค้าที่บุกเข้าอินเดียมาทางอิรานและอัฟกานิสถานกรองราชประมาณปีพุทธศักราชพ0นหที่เมืองสาคระมิหิรักุระเป็นฮินดูนิกายไสยวะพิโรธทิทางพระสงฆ์สรงพระผู้น้อยมาอธิบายคําสอนในพระพุทธศาสนาจึงสั่งให้กําจัดพระพุทธศาสนาให้หมดสิ้นไปจากดินแดนของพระองค์ เป็นเหตุให้ถูกโต้ตอบโดยพระเจ้าพาลาทิตกษัตริย์ราชวงศ์คุปตะแห่งมักคตและก็ได้ทำสงครามกันมิหิรักุละถูกจับได้และถูกขังไว้ต่อมาก็หนีได้แล้วก็ไปลี้ภัยอยู่ในกัสมีระแล้วก็สังหารกษัตริย์กัสมีระเสียขึ้นเป็นกษัตริย์เองแล้วก็รื้อฟื้นแผนการกำจัดพระพุทธศาสนา โดยล้มล้างพระสัถูบทั้งหลายทำลายวัด 1,600 วัดสังหารพุทธศาสนิกชน900รโกธ ต, ตั้ง900โกธเชื่อหรอครับ1โกดเท่ากับ10บล้านเก0ยโกธเท่ากับ 9,000 ล้านแสดงว่าสมัยนั้นมีชาวพุทธมากมายมหาศาลเลยนะครับครับเพราะชาวพุทธมีมาก จึงทำให้พวกนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดริษยาผมว่าพวกเขาไม่ฉลาดนะครับแทนที่จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าศาสนาของตนเกิดก่อนพระพุทธศาสนาแต่เหตุไฉนผู้คนจึงหันไปนับถือศาสนาที่เกิดใหม่แสดงว่าต้องมีอะไรดีกว่าศาสนาเดิมของตนน่าจะพิสูจน์มากกว่าที่จะอิจฉาริษยา ผมว่าพระองค์ทรงทากรรมหนักครับเพราะในที่สุดก็ได้กระทาอัตตวินิบาตกรรมโดยโจรเข่ากองไฟปา่านนี้คงสเสวยกรรมอยู่ในอเวจีนรกเพราะการทำร้ายพระาศาสนามีโทษหนักเห็นท่านพระครกไม่แตะต้องชาที่ท่านรินถวายจึงพูดขึ้นว่า หลวงพ่อนิมนต์ฉันใจครับเดี๋ยวใจเย็นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงยกถ้วยชาขึ้นจิบแล้วก็วางลงต่อจากกริยัมิหิรากูระหลักครับต่อจากกริยัมิหิรากูระก็เป็นกริยัสาสางกะเป็นฮินดูนิกายไสายวาเช่นกันสาสางกะครองราดในแคว้นคาวดะ ประมาณปีพุทธศักราช1150ได้ปรงพระชนกษัตริย์พุทธพระนามว่าราชยะวันธนะและสังหารพระภิกษุในแถบกุสินาราจนหมดสิน้นทำให้สงพินาฏไปนอกจากนี้ก็ยังไปโค่นต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาแล้วก็ขุดรากขึ้นมาเผานนำเอาพระพุทธรูป ออกไปจากวิหารทางทิศตะวันออกของต้นพระสีมหาโพธิ์แล้วก็เอาสิวลึงเข้ามาแทนสาสางกะได้ทำลายพระพุทธศาสนาอย่างย่อยยับอับเฉาที่สุดแม้แต่เหรียญเงินตราของกษัตริย์องค์นี้ก็เขียนกำกับชื่อราชาไว้ว่าผู้ปราบพระพุทธศาสนาถึงขนาดนั้นเชียวเหรอครับ พระศาสนาของเราถูกเบียดเบียนอย่างสาหัสากานเลยนะครับหลวงพ่อต่อจากสาสางกะก็มีนักบวชคนสำคัญของนิกายไซวะอีกสองรูปคือกุมาริกะและสังกร า, ารารย์นักบวชสองรูปนี้มิใช่เที่ยวสั่งสอนโจมตีพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ได้พยายามชักจูงกษัตริย์และคนชั้นสูงที่มีอำนาจ ให้เลิกอุปธรรมบำรุงวัดในพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาที่กำลังเสื่อมอยู่แล้วอ่อนแอยิ่งขึ้นจนช่วงท้ายพระพุทธศาสนาก็เหลืออยู่เพียงในแคว้นพิหารและเบงกอลโดยที่มีกษัตริย์ปาละอุปธรรมอยู่ท้ายสุดประมาณพุทธศักรช 1,700 ั 1, กองทัพมุสลิมเติกบุกเข้ามาแถบพิหารและเบงกอล แล้วก็อทำลายพระพุทธศาสนาโดยการเผาวัดข้าพระภิกษุจนหมดสิน้นพระพุทธศาสนาจึงสู์ไปจากประเทศอินเดียท่านเห็นด้วยไหมว่าการที่พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างบริสุทธิ์คือไม่ถูกกลืนโดยศาสนาอื่นนั้นชาวพุทธจะต้องไม่ทิ้งหลักการสำคัญสี่ประการสมภารวัดป่ามะม่วงตั้งคาถาม หลักการที่ว่านี้มีอะไรบ้างครับผู้อ่อนวัยกว่าถามหลักแรกก็เป็นหลักใหญ่คือธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสิ่งแรกที่พระองค์ทรงทำก็คือดึงคนจากเทพสู่ธรรมดึงจากการมองไปที่ปัจจัยภายนอกสิ่งเหนือธรรมชาติคือเท พ, พเจ้าออมาดนบันดาล ให้หันมามองความจริงของธรรมชาติที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยคือธรรมได้แก่ตัวความจริงของธรรมชาติลักที่สองแทนที่จะหวังผลจากการอ่อนวอนให้มากระทำการด้วยความเพียรพยายามคือกรรมได้แก่การกระทำของมนุษย์ให้สาเร็จด้วยความเพียรลักที่สาม เพื่อให้การกระทําได้ผลโดยถูกต้องตรงตามเหตุปัจจัยก็ต้องให้รู้เข้าใจถึงธรรมโดยการพัฒนาคนขึ้นมาคือสิกขาและหลักสุดท้ายเมื่อมนุษย์พัฒนาด้วยสิกขาขึ้นมาแล้วก็จะมาเป็นกาลยานามิตรกันอยู่ในสังฆะช่วยกันสร้างสรร์สังคมที่ดีงามขึ้นมาได้คือสังคมแห่งกาลยานามิตร ชาวพุทธเราทำไม่มั่นในหลักการเดิมก็จะเอียงและพลาแล้วก็จะเควยออกไปนอกทางหลักการสำคัญสีประการเนี่ยเราจะต้องไม่ทิ้งทิ้งหลักการเมื่อไรก็ตกจากพระพุทธศาสนาเมื่อนั้นผมว่าถ้าเราสำรวจชาวพุทธในประเทศไทยว่ามีใครบ้างที่ตกจากพระพุทธศาสนาสงสัยว่าจะตกกันเกือบหมด รวมทั้งพระด้วยเพราะเดี๋ยวนี้พวกพระเราก็เพี้ยนกันเกินครึ่งแล้วโดยเฉพาะพระที่มาอยู่อินเดียท่านพากันทิ้งเทรวาดไปมหายานกันเกือบหมดแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าพูดแบบปรงอนิจจัง